ความเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปโธติยานกำลังพูดเรื่องสมาวยามะในข้อที่สี่คืออนุรักษณาประธานการเพียรพยายามรักษากุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญไว้แล้วให้ดำรงอยู่อย่างน้อยที่สุดก็อย่าให้เสื่อม ในข้อปฏิบัติตามโครงสร้างของสุปฏิปโนพระวะโตสาวะสังโฆเนี่ยยู่ในช่วงแรกท่านบอกว่าปฏิบัติชอบคือสัมมาปฏิปทาได้แก่การปฏิบัติชอบถ้าแน่นอนเกณฑ์กำหนดว่าปฏิบัติชอบนั้นคือเหมาะควรแก่กรณีนั้นๆมันไปเชื่อมโยงกับหลักการในสัพพิสธรรมคือหมายความมาชอบปรปเหตุ ด, ด้วยผล อะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรแล้วชอบด้วยสถานะของตนในขณะนั้นๆแล้วก็ชอบด้วยความเหมาะความควรแก่กรณีนั้นๆแล้วกาลเทศะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องหรือต้องประพฤติกระทำแล้วคุมคนบุคคลวันก่อนได้ยกตัวอย่างเรื่องไมตาซึ่งเป็นธรรมะหลัก คือเป็นข้อปฏิบัติพัฒนามาจากศีลข้อที่หนึ่งถ้าเรามองดูให้ดีจะเห็นว่าในดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยพระเจ้าเริ่มชี้ศีลข้อปานาติปาตาแล้วก็เสร็จพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำความดีทั้งหลายเนี่ยจะจบลงได้การแผ่กุศลจะเป็นสเปสตา การแสดงถึงเมตตาจิตที่เรามีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขตามสมควรแก่สถานะจนควาหมายความว่าเริ่มต้นที่ตัวศีลแล้วก็จบลงที่ตอนปลายของศีลข้อนั้นที่เวลาทรงแสดงจริงๆทรงแสดงว่า อริยาสาวกในโลกนี้งดเว้นจากปาณาริบาตไม่พกพาสัตวุธเครื่องประหารมีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าตัวเมตตาเนี่ยเป็นเป้าหมายเพราะว่าถ้าเรามองจากโครงสร้างของโลกอดุลงนะฮะแล้วไปเชี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในโลก โลกประกอบด้วยสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตในขณะที่กิเลสประกอบด้วยโลกกดตรงเนี่ยโมหะที่พัฒนาขึ้นมาเป็นปัญญาในระดับต่างๆพอมาถึงจุดหนึ่งสามารถที่จะมองโลกในส่วนที่มีชีวิตเนี่ยด้วยความรู้สึกเมตตาคือปรารถนาดีมุ่งดีเรียกว่ามองด้วยความเป็นมิตร แล้วก็มองสิ่งไม่มีชีวิตด้วยความไม่โลภซึ่งกหมายความว่าปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเองได้ทำหน้าที่ขจัดโมหะและทาหน้าที่ขจัดโทสะในตัวคน็จัดทาหน้าที่ขจัดโลภะในตัววัตถุก็ก่อยเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพสิทธิของกันและกันในการอยู่ร่วมกักรนก ร, ก ร, ร, ก ร, ระดับศีลธรรมจัญญาแล้วก็จะก้าวหน้าไปจนถึงมีการ แสดงเมตตาจิตต่อกันจะตามสมควรแกร่กรณีของบุคคลเพราะฉะในเรื่องของเมตตานั้นในส่วนของเมตตาเองพระเจ้าทรงสแสดงไว้ในเมตนานิสังสสูตรคือพระสูตรที่ว่าในเมตตาซึ่งทงอถาธิบายขยายความใ น, นการเจริญเมตตาในว่าเมตตาที่บุคคลเจริญดีแล้ว สรงใช้็มาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตมุตคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยเมตตาเนี่ยอันบุคคลเสพแล้วทาให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นโดยลําดับสั่งสมดีแล้วปรารถนาดีแล้วในข้อความในเมตตาในสัง ส, สูตรนี่จะส่งอธิบายหลายนัยยะเพื่สังเกตว่าคือทำทาบ่อยๆ แล้วก็เป็นกลายเป็นลักษณะนิสัยคือเป็นพื้นจิตที่กรอบด้วยเมตตามันคล้ายๆ ก, ก, กับ น, น้ําใสเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมันเนี่ยเพราะในความเป็นน้ำใสเนี่ยเราน้ําเค็มใส่ลงไปมันก็ไม่เค็มน้ํากรดใส่ลงไปมันก็ไม่เป็นกดรดเราโคลนใส่ลงไปมันก็ถูกสลายหมดเลยเพราะในจิตใจของเราก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้ามามีเมตตาเป็นฐานอยู่แล้วเนี่ย มันจะเป็นยานคือทางดำเนินเป็นภานะที่จะนำจิตไปแล้วก็กลายเป็นที่ตั้งของจิตเ้าเรียกเมตตาวิหารีคือมีปกติอยู่ได้เมตตาและจงเมตตาเนี่ยมีความตั้งมั่นขึ้นมาโดยลำดับโดยการสะสมประพฤปฏิบัติกันมาเรื่อยๆแล้วก็ประรบคือมองสิ่งทั้งหลายแล้วมันเกิดกระตุ้นเมตตาจิตขึ้นมาเรื่อยๆ พอถึงจุดหนึ่งมันก็ได้ผลเป็นอา น, นิสงส์อา่ทรงแสดงไว้ส่วนใหญ่เราจะพบแปดก็มีนะฮะแปดก็มีสิบเอ็ดก็มีในกรณีที่เป็นสิบเอ็ดเนี่ยคือหลับเป็นสุขหนึ่งหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฟันไรเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอนมนุษย์ทั้งหลายเทวดาให้การคุ้มครองรักษาพวกไฟก็ดียาพิษก็ดีศาส า, าก็ดี ไม่สามารถจะทำอันตรายได้อย่างยกตัวอย่างเช่นน้ำมันลวกๆน้ำมันร้อนๆเนี่ยราดรงไปบนตัวเนี่ยไม่เป็นอันตรายเพราะพลังของเมตตาทศตราวุธเช่นพระเจ้าอุเทนเข้าใจข้าพระไทยผิดในพระนางสามาวดีและบริวาร ก็ต้องการจะฆ่าเลยก็ให้พวกพนางยืนแถวแล้วก็คิดจะยิงให้ทะลุปไปเลยก็ยิงไม่ออกลูกขนูไม่ออกไปนั้นเป็นเมตตาระดับเมตตาเจตวิมุตย์นะฮะไม่ใช่เมตตาธรรมดาเมตตาธรรมดาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็จิตเนี่ยจะตั้งมั่นได้เร็วสีหน้าของบุคคลนั้นย่อมผ่องใส แล้วไม่ลงตาไม่ลงตายคือตายยังมีสติทีนี้เมื่อไม่แทงตลอดคุณธรรมคื อ, อยังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยตายแล้วก็จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นข้อที่ทรงแสดงในอานิสง์ของเมตาแต่ว่าแน่นอนผลเหล่านี้เป็นผลสัมผัสเฉพาะตัวคล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับคือคนบอกก็บอกไปแหละแต่ว่าเราจะรู้มันเปรี้ยวยังไงหวานยังไงเค็มยังไงมันยังไงเราต้องกินเอง ลักษณะของธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นเช่นนั้นทีนี้ในเมื่อจิตมันมีเมตตาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าฐานของจิตนี่มันมันฐานสลายเนี่ยฐานสลายคืออดทนก็ให้อภัยแล้วก็รอคอยในฐานหนึ่งก็คือเป็นฐานเพิ่มผูนมาความกิเลสกระทบเนี่ย กิเลกระทบมาเนี่ยมันจะทำหน้าที่สลายโดยการอดทนโดยการรอคอยโดยการให้อภัยคือไม่ถือสาความาอะไรแก่คนล่นนั้นก็ทำนองคล้ายๆกับเราเอาเกลือเทลงไปในในน้าใสเรากดเทลงไปในน้ำใสดังกล่าไว้เนี่ยมันจะถูกสลายเพราะว่าฐานเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากฐานของน้ำจำนวนมหาศาลที่ใสสะอาดเนี่ย มันถ้าหากว่าเออความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณไม่มากท่วมท้นแล้วเนี่ยไม่สามารถทําน้ําตรงนั้นให้เป็นน้ํากรดได้แล้วแต่ถ้ายิ่งน้ําไหลคือน้ํามากยังไงก็ไม่สามารถทําให้เป็นกรดได้เพราะน้ําจะไหลไปเรื่อยมันกระจายไปเรื่อยมันก็จางไปเรื่อยคือบางครั้งเราก็พูดในแนวไหลจางไปนะแต่บางครั้งก็พูดในแนวที่ว่ามันเหมือนกษัตริแต่มัน น้ำใสม่ปริมาณมากเลยเกินเพราะน้ำขุนลงไปน้ำกรดลงไปน้ำเค็มลงไปเนี่ยมันถูกสลายหมดแต่แนวหนึ่งเนี่ยเป็นแนวการปรับจิตเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในตัวคนหมายความในกรณีที่ตัวคนเหล่านั้นแสดงอาการก้าวร้าวแสดงอาการบุนแรงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นพยาบาทที่คนซึ่เมตตาจิตเขาละได้แล้วเนี่ยเมตตามันจะทหนาทีสลาย ความรู้สึกโกรธความรู้สึกไม่พอใจต่างๆออกไปคือมันไปทำอะไรกับจิตไม่ได้แต่แน่เลยเนี่ยคือสถานะของคนที่เราไม่ตาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแล้วถ้าเราลองให้ดีมันก็เปลี่ยนแ ป, งไปไแ ล, ล, ง, ปลแปงไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะฮะหมายความว่าไม่ตา เ, เป็นฐานอยู่เนะี่ยแล้วคนนั้นประสบความทุกข์หรือประสบความสุขหรือประสบผลกรรมของเขาเอง มันก็จมีอยู่ 3, 3, ะสามสามสี่ลักษณะเพราในกรณีของคนสัตว์ทั่วไปเนี่ยทํายังไงจะเจริญเมตตาต่อบุคคลรดนั้นแต่ว่าในกรณีของคนด ไ, นงไง ด, เนดนนนน้เราเมตตานั่นเองแต่พอดีเขาประสบอันตรายประสบก็สรุปว่าทุกภัยโรคก็คสรุปง่ายทุกนะฮะภัยมันก็เป็นทุกโรคมันก็เป็นทุกคือสรุปประสบกับความทุกข์ข้าวเนี่ย เราจะไม่ตายอยู่เฉยๆนี่คงไม่ได้เพราะว่าเวลาคนประสบความทุกข์เนี่ยถ้าใจเราไม่รู้สึกดีต่อคนเหล่านั้นมันอาจจะรู้สึกซ้ำเติมอยากซ้ำเติมถ้าเราเกลียดเขาเนี่ยฮะจะรู้สึกซ้ำเติมแต่ถ้ารู้สึกเฉยๆนี่ใจมันจะจืดคือไม่นั่งขังขอบไม่สนใจไม่ใส่ใจตัวโาไม่ดีทางใด แต่ถ้าเรารู้สึกเมตตาเนี่ยรู้สึกเมตตาเราจะเกิดการุณาเวลาเขาประสบทุกภัยโรคมันก็ควรขวายที่จะช่วยเหลือกืองคูลคือบุคคลเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากทุกจากภายัจกภยจากโรคจากอันตรายได้พราะควประสบจุแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือคือไปฏไิกาขึ้นในการุณานี่เองไง ถ้าเราลองสังเกตลักษณะกรุณาบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่กรุณาคือมันกลายเป็นโศกะเช่เราต้องการจะช่วยเหลือเกิดกูลใครแล้วเกิดช่วยไม่ได้แล้วก็ปีบัตรบาเดเจ็บล้มตายไปเลยเนี่ยมันซึ่งมันควรจะอุบเบกขาแล้วนะก็ไม่สามารถทําใจเบกขาได้มันก็กลายเป็นโศกะต้องลงว่าการุณาเนี่ยมันเป็นมักกะัตร์ไอโศกกะมันเป็นทุกขะสัตริย์เลยไม่ใช่แล่ะมันชักยุ่ง มันชักยุบมันเวียงไปอีกด้านนึงเลยแต่ทีนี้ในคนที่เราเมตตานี่เองถ้าว่าเขามีความประสบความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จเนี่ยแต่จะต้องเกิดมุติตานะฮะทีนี้มุติตามันค่อนข้างมีปัญหาวันก่อนดูเขาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งแล้วผอดีมันมีข่าวอีกข่าวหนึ่งแต่ไม่ได้อ่านนะข่าวเขาพาดหัว คือมีคนคนหนึ่งก็ถูกสละกินแบ่งก็ไม่ได้สนใจรายละเอียดก็แต่ว่าหลายล้านนั่นนะะก็ปรากฏว่าญาติพี่น้องม่มาที่ไหนที่ไหนนี่มาห้อมล้อมกันขอมีส่วนแบ่งก็ไปเที่ยวไปกินไปปิกนิกอะไรตูมม้มันพลดเลยนะครับคนเนี่ยจนไปเลยแล้วก็มีคนอะไรละ่ะเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ย ถูกสลากกินแบ่งหกล้านเนี่ยปรากฏว่าคนแสดงความเป็นญาติเนี่ยเป็นร้อยเลยนะฮรับไอ้เนี่ยคือเวลาเขาได้ดีเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นเขามีความสุจริตใจไหยในยามปกติในยามที่เรามีทุกข์เนี่ยเขามีเมตตาเราหรือเปล่าเรามีทุกข์เนี่ยเขามีกรุณาเราหรือเปล่าแต่เวลาเราได้ดีเนี่ยเขามาแสดงความดีอย่างนั้นคือคนเหล่านี้ที่จริงคบไม่ได้ทั้งน่้นนะเป็นพวกปลอกลอก เป็นพวกเห็นแก่ตัวทำมาเพื่อขอมีส่วนแบ่งก็เรียกอุนยะคือขอมีส่วนแบ่งคือคือคนเราตามปกติแล้วก็เรียกว่าเห็นกันเมื่อใค่ายให้กันเมื่อทุกมีทุกมีสุขร่วมเสรมีทุกร่วมต้านนั่นก็คือแนวกุ้เมตาแนวกัลยาณมิตรเนี่ยพูดสำรวนภาษาจีนหน่อยก็เรียกว่ามีสุขร่วมเสรมีทุกร่วมต้าน แต่บางว่ายหนึ่งประสบความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเบาความเขกขคือช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ให้เขาเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกซ้ําเติมคือเบียดเบียนหรือไม่อย่างนั้นก็จะโศกคือจะโศกเวลาเราช่วยเขาไม่ได้เนี่ยคือถ้าเราช่วยได้เราก็เก่งเกินไปนะช่วยได้ทุกเรื่องเนี่ยมันก็บางเรื่องก็ช่วยได้บางเรื่องก็ช่วยไม่ได้แต่ว่า แสดงความมีน้ำใจเป็นที่นั้นคือเพียงพอแล้วส่วนได้หรือไม่ไดอีกเรื่องหนึ่งเราเองเราเลงช่วยตัวเองเราไม่ได้เลยบังทีเราป่วยเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้เราจะตายเราก็ช่วยตัวเองไม้ตายไม่ได้นะภาษาอะไรก็ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นก็ได้บางไม่ได้บางธรรมดาแต่ก็ช่วยไปทีนี้การช่วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าช่วยซับซากช่วยจําเจจนว่าช่วยจนคนไม่ยอมช่วยตัวเองไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ เพราะว่าเขาเองไม่ยอมแก้ปัญหาแก่เขาแล้วมาสร้างปัญหาแก่เราส่วนมากในเวทเวทวงวงสาคัาญาต์เนี่ยคือยังนึกว่าสังคมเนี่ยสังคมต่อไปเนี่จะเป็นสังคมแยกเดียเ่ยวนี่สูงขึ้นเพราะว่าความจเจริญเติบโตของคนเนี่ยเป็นลักษณะช่วยตัวเองแล้วก็ไม่เอื้อถอดไม่ห่วงใหญ่ไม่ดูแล ก, กันพี่น้องก็ต่างคนต่างอยู่ก็แยกเครือนกันออกไปหมด มันก่อนยังนึกถึงโยมคนหนึ่งเข้ามานั่งเล่าฟังว่าเกษียณอายุราชการแล้วก็องค์เงินที่สะสมมานี่ซื้อที่ดินไว้ถึงหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่ก็ไม่ใช่บบาเหมือนกันเกษียรร้อยตารางวาต้องการที่จะให้ลูกสามคนเนี่ยกว่าเด็ ก, กว่าคนละร้อยตารางวาก็อยู่ได้กันเราก็าลูกแย ก, ย, ก, ย, ก, ย, กย้ายกันไปหมดยังเหลือแต่สองคนตายาย อยู่กลางก็มากแล้วนะฮะตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนั่นคือแสดงให้เห็นว่าในที่สุดนคนจะแยกเดี่ยวแล้วก็จะขาดความเอื้ออาทรความบงใหญ่กันโดยเฉพาะยิ่งคือขาดความเมตตาเนะี่ยต่อขาดความเมตตาแล้วพออีกฝ่ายหนึ่งก็ประสบความทุกข์มันก็ขาดการุณาและอาจจะไปซ้ําเติมก็ได้ซ้ําไปเกิไปเบียดเบียนก็ได้ซ้ําไป แต่ว่าถ้าเราเมตตาได้เนี่ยพอเข้าประสบความทุกข์ก็เกิดกรุณาพอเข้าประสบความสุขความสมเอะความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเราก็เกิดมุทิตาซึ่งตามปกติแล้วถ้าใจไม่เมตตาเนี่ยมันเกิดยากเพราะว่าคนมักแ ย, ยริษยากันเรียกว่ามักริษยากันและกันจน บางทีก็นึกไม่ออกนะคือไม่รู้ทิศยากันไปทําไมคือมันทีเราก็มองเออคนก็แก่แล้วอายุต่างเงยอะแล้วไปทิษยากันทําไมไปเดียวก็ตายหมดเลบียเบียนไปทดทาลายกันทําไมวันก่อนไปเจอมีคนก็เสนอเจา้าคณะจังหวัดจังหวัดหนึ่งให้ต่ออายุออกไปท่านแปดสิบเอ็ดนะฮะต่อไปอีกสามปีเป็นแปดสิบสี่เพราะว่าก็กำหนดแปดสิบเกษียณ เลยก็บอกเขาว่านี่แหละคือปัญหาว่าเราจะพยายามลอกเรียนแบบชาวบ้านเขาแต่พระเราในที่จริงมันไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีตัวคนโตกันไม่เคยทันพผลจะเล่นกเกษียณแบบชาวบ้านแลน้วผลท้ายนี่จะยุ่งนะฮะตอนตายนี่จะจุ่มแต่พอดีเขาก็ไม่มีข้อแม้ไว้หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองคือตรงเนี้ยถ้าเรามองกันด้วยเมตตามไมตรีแล้วเนี่ยทุกคนต่างทํางาน ย้อนก่อนอย่างเออพูดฟังคําพูดของท่านนายกที่แถลงตอนศาลตระทำการตัดสินคดีสุขู้นี้มีคําคมหนึ่งประโยคหนึ่งนะฮะคือเราแบ่งแบ่งกันทํางานนะฮะแต่ว่าไม่ใช่แบ่งแยกหมายความว่าต่างคนต่างแบ่งเป็นพักแบ่งไปรายแต่ไรก็ได้นะฮะแบ่งการทํางานแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันทําหน้าที่แต่อย่าให้มีการแบ่งแยก คือเป็นคำพูดที่คมนะคือนึกมา น, นานแล้วสังคมเราเนี่ยทําไมทําไมมันจะต้องแบ่งแยกทําไมคุณต้องเป็นเนื่อคุณก็เป็นอยู่แล้วทําไมเมื่อคนอื่นเป็นคุณก็คิดเตี้ยโคนล้มขาวทําไมไม่ส่งเสริมสนับสนุนกันทีนี้ถ้าเขาไม่เปิดโอกาสให้สนับสนุนเราก็ทําอย่างอื่นแล้าในที่สุดต่างคนต่างก็มีงานทํามีภาระหน้าที่แล้วก็ ไปประสานไปส่งเสริมไปสนับสนุนกันมันก็กลายเป็นเราอาจจะแบ่งแยกกันทำงานแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเราแบ่งกันทำงานแบ่งหน้าที่แบ่งกันรับผิดชอบแต่เราไม่รู้สึกความเป็นเราเป็นเขามันก็ส่งเสริมสนับสนุนกันเองนะคล้ายๆกับอวัยวะเนี่ยทั้งส่วนเนี่ย ไอ้เท้ามันก็ไเป็นมือมือก็ไม่เป็นเท้านะแต่มันทํางานแล้วมันก็ส่งเสริมสนับสนุนกันความถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะเราก็ช่วยเหลืออะไรมันมีพลังเยอะมันมีพลังเยอะแต่ว่าความคิดในแนวที่จะคนอื่นดีดีไม่ได้ได้ไม่ดีเนี่ยฮมันก็กลายเป็นการทวงความเป็นชาติปันเมืองให้ ตาหลังลงไปเพราะแนวมุติตาจิตเนี่ยเป็นแนวสําคัญว่าคนเราจะเป็นในตนําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งกันหมดมันไม่ได้หรอกเฉพาะตำแนหน่งนายกคนตรีก็มีคนเดียวใครเป็นก็ควรเป็นไปนเลยแล้วก็มัวทนาสาธุการมุติตาจิตก็ท่านส่งเสริมสนับสนุนนะอย่าไปสร้างปัญหาให้แก่ชาติบ้านเมืองเกิโอกาสแล้วเขาทางานตามสัญญาประชาคมนะ ตามนันยาประชาคมเนี่ยก็มีมาแต่เราจะเพราะว่าบางทีบางก้มู้ที่ตาจิตไม่ได้ถึงมันแปลงที่จริงมันมาด้ายเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของสังคมเข้ามาอย่างนั้นนหะมันก็ต้องยอมรับเขาอะเมื่อเราสมัครใจจะเป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องยอมรับทุกอย่างของความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกรับเปล่าว่าฉันต้องได้เป็นนายกเท่านั้นเองจึงถูกต้องนะแต่คนอื่นเป็นไม่ถูกต้องมันไม่ใช่อย่างนั้นนหละ มันเป็นหลักการได้กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่อย่างไงก็คือต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ในโด้วยพื้นฐานของเมตตาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันสุดวิสัยนะฮะมันมีปัญหาสุดวิสัยเคยลองสร้างสถานการณ์แล้วก็ถามผู้ที่ไปอบรมในที่ต่างๆนะส่วนมากเป็นผู้ใหญ่เป็นพระเป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็ถามหรวงพอมีอันศีลอธิบายหร ม, มิห่อมีอันก่อนแล้ให้ก็มองดู าสมมติว่าคนเดินไปห้าคนเพื่อนคนหนึ่งหกล้มเพื่อนคนหนึ่งช่วยเข้าประคองเพื่อนคนหนึ่งยินดูเฉยๆเพื่อน<ๆ>คนหนึ่งหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งด่าส่งเลยถามว่าในห้าคนในสี่คนนี้ใครปฏิบัติถูกต้องในหลักปรมเมหารชรู้ตัวเ็นว่าคนที่เข้าไปช่วยนี่ถูกต้องเพื่อนที่เรารักกำลังประสบความทุกข์ <c oughs> เทปบทเรียนเป็นกรณีหนึ่ง เรเดินในห้าคนเนี่ยพอดีเพื่อนคนหนึ่งไปฉกกระเป๋าของเฮียกาเขาเพื่อนคนหนึ่งก็วิ่งไปช่วยคือทุกคนเนะ่ยเหมือนเดิมนะฮะถามว่าคนไหนปฏิบัติธรรมะถูกต้องเราเห็ว่าคนไปช่วยซึ่งมันถูกในกรณีหนึ่งเนี่ยมันผิดในกรณีนี้กลายเป็นการสมโจร น, นะฮะกลายเป็นโจรไปด้วยเพราะคนที่ยืนดูเฉยๆเนี่ถูกต้องที่สุดไอ้คนหัวเราะมันก็เพี้ยนไปนะฮะคนด่าส่งก็เกินไป เพรมันนี่คือธรรมะมันมันอยู่ที่การปรับตัวเองปรับตัวเองให้เหมาะให้ควรแก่ก่นีนั้นนั้นพระนุเบกขาก็คือว่ามันนอกวิสัยที่เราจะทําอะไรได้แล้วก็ถือว่าเป็นไปตามกรรมของเขาเขาดียั่งยืนอยู่ในความสุขหรือเขาประสบความทุกข์ทั้งหมดเป็นผลกรรมของเขา คือไม่ใช่พอเขารวยแล้วเราก็ไปมุทิตาเขาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปไถ่ก็เรื่อยๆไ อ, อ้นนี้ไม่ใช่ครับหรือพอเขาติดคุกอย่างเนี้ยคือเราจะทํำยังไงก็ไม่ได้อะเมตตากรุณามุทิตาไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาก็เป็นไปตมกรรมของเขาไอ้เ น, นี่อเป็นคุณธรรมที่เป็นฐานแล้วก็เราเลี้ยงสังคมไทยเรามา มาเป็นเวลานานะฮะเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาเราก็รับยังเลือดดีตามมีและตามเกิดเพื่อเพื่อชีวากว่าจะกลับ เ, เพื่อทายังไงจะให้คนได้สานึกได้สนักถึงหลักธรรมเหล่านี้แล้วก็พยายามรักษาไว้สังคมเราจะน่าอยู่ขนิดมากนะแต่เวลานี้บางทีมันแท่งแรงแม้แต่ในวัดเนี่ยก็หากหัวตัมีหานไม่ค่อยเจอเลย มันกลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นภาคเราภาคเขาบางทีวัดในกรุงเทพเนี่ยเข้าถึงเนี่ยสมพานเป็นปากใต้แลูกวัดเป็นปากใต้เกือบหมดเลยสมพานในอีสานลูวัดเป็นภาคอีสานเกือบหมดเลยสมพานเป็นจังหวัดบางจังหวัดแต่ภาคกลางในลูกวัดก็เป็นหมดเลยี่มันอะไรบ้ามันทําอะไรกันมันมันที่อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องแสดงถึงความมีพรหมวิหาร ตัวหมายความว่ามีเมตตาที่เป็นสากลนะมองสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตาแต่ว่าพฤติกรรมมันแบ่งแยกอ่ะมันแสดงความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาอันนั้นไม่เกี่ยวมเป็นเรื่องของพวกนั้นนั้นมภาคนั้นอนั้นนีนน่กายนั่นอะไรแต่และอย่างก็ยังนึกชอบใจอยู่นียฮะว่าวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินทรที่อ้อน้อยเนี่ยฮะเป็นวิทยาเขตของหมหาวิทยาลัยมหาวิาทยาลัยเนี่ย พรากฏตรงมีที่พักเนี่ยตั้งห้าหลังขนาดใหญ่แล้วก็พระอยู่ร่วมกันตั้งทำยุทธานิกายเออดีคิดมานานนะนะคิดฝันมานานนะว่าทํำยังไงนะเราเราไม่ไปรวมนิกายหรอกเราไม่อยากไปยุ่งกันขนาดนั้นแต่เราอยากจะร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์ร่วมเรียนร่วมศึกษาร่วมปฏิบัติกันนะไอ้ส่วนที่มันเป็นนิกายก็เเรื่องของโครงสร้างของสังคมอย่าไปอย่าไปคิดแก้ไขตรงนั้นนะ เคาเรียกว่าอย่าไปชิดรวมให้อยู่ร่วมกันมันก็จะมีการสร้างสรรพัฒนาแล้วช่ดเหลือคือกูลกันเนี่ยพลังคนมันจะมากขึ้นแล้วก็นำพ า, าศาสนาไปได้ดีเพิ่ขึ้นต้องฟังทงั้งหลายและรมปปฎทญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมจะมมีแด่ท่านผู้ฟังทงัท้งหลายดยทุวกันสวัสดี